ไอ้ที่จอมาแล้วก็จอนไปเนี่ยไม่ใช่ของจริงอันนี้แสดงว่าจิตของเขาปกติดีอยู่แล้วแต่เรานิสัยไม่ค่อยดีเวลาอะไรจอมาก็จับไอ้ตัวจอเอาไว้ไม่ให้มันจรไปมันก็จอจัดอยู่ในใจเรานิสัยเราไม่ดีเพราะอะไรเชื่อความคิดไอ้ที่จอมาไม่ใช่ไรคือความคิดอุปบิเลสมันไม่ได้มาจากไหนมาจากความคิดพอคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเปล่านะเราไปเชื่อ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 มันกระหายไม่ใช่ความคิดนะแต่กายแสดงอาการเพื่อจะรอดให้จิตไปทําอะไรกับไอเวทนานั้นจิตมันจะรอแล้วเอ๊ะมันเมื่อยต้องเปลี่ยนมันจะแย่แล้วบ้างเนี่ยนั่งนานๆปวดเขาเขาจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ามันเริ่มปรุงแต่งนะปวดหลังโอปวดหัวนี่นั่งนานๆนี่มันจะเป็นอัมพาตนะเนี่ยเอาละเริ่มรอให้จิตมันคิดเราจะเริ่มรู้ทันตัวเนี้เราต้องฉลาดกว่าจิต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 เขานั่งกินเหล้ากันวงบานแล้วเบอร์เธอกินเหล้าผิดสิ่งก็หา้าปากเจอนะนิสัยเราไม่ดีเห็นเขาไม่ดีทนดูไหมนะ ไ, ไม่รู้จักก ร, ราเทศนะเจอสิ่งที่ดีๆก็โอ้ชื่นจชมีดีแหมดีเนอลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหมเนี่ยนิสัยเราเห็นอย่างนั้นติดดีอันนี้คือถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็เราจะไม่รู้นิสัยเราหรอกจะไม่เห็นตัวเราแท้จริงแต่ถ้าเรามาเจริญสติมาทําความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้จักนิสัยเรายิ่งขึ้น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 ในที่ประชุมก็ดีห้องสมุดก็ดีเขียนว่าโปรดรักษาความสงบแสดงว่าสิ่งนั้นมัอยู่แล้วสมัยก่อนนี่สมัยเป็นเด็กที่เรียนหนังสือใช่ไหมเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเวลาครูเข้ามาสอนเด็กก็จะบอกว่าเงียบๆหน่อยไอ้คนนั้นก็ลุกไปตีคนโน้นลูกไปตีนี่เงียบๆหน่อยไอ้คนตะโกนอนะ่ะทำให้ไม่งเงียบเวลาถ้าอยู่เฉ ย, ยๆนะนมันก็สงบเหมือนจิตเราเนะ่ยเขาเป็นปกติอยู่ก่อนเราลองรู้สึกตัวดิ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 อะไรผ่านมากระทบแล้วก็จะผ่านไปจิตเฉยเหมือนใบบัวนิ่งๆอยู่ไอ้ความเคลื่อนไหวความคิดต่างๆเหมือนน้ำที่มันไหลามาถูกกันแล้วก็ผ่านไปถ้าจิตรู้แล้วไปแทรกแซงนะเข้าไปพยายานที่บังคับหรือขับไล่ผลักไสหรอือต่อต้านเนี่ยมันมันก็ดาษทิชชู่ที่มีน้ําหยดลงมาปุ๊บกระดาษก็จะขาดแล้วเวลาเราแบบเราพอเรารู้สึกตัวว่าเรารู้แล้วมันดับไปแล้วเราก็ใจยังไงทําไงก็ไม่ทำไงมันดับก็ดีอยู่แล้ว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 เป็นการดูที่ยุติธรรมมากเราก็จะเห็นเองไม่ต้องพิจารณาช่วยอ๋อนี่กายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เฉยโตไม่ใฉยตนเราไปคิดช่วยแล้เราจะเห็นของจริงเพราะกายกับจิตเนี่ยเขาแสดงไปแลกอยู่แล้วดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนะี่ยเป็นการพิจารณาไปในตัวการที่ดูที่รู้บ่อยๆเนะี่ยคือการพิจารณานะแต่ไม่ใช้ความคิดพิจารณาโดยการรู้เฉยๆมันจะเห็นเองเหมือนเราเห็นแมวอะ่ะเห็นแมวนี่ทีแรกเนี่ยเราไม่รู้นะ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 ควาสงบมีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่อาจที่จะปรากฏตัวขึ้นมาได้เพราะเราไปคิดปรุงแต่งมาถ้าเห็นความคิดเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะเห็นความจริงของชีวิตมากมายเห็นความคิดความคิดมันก็ดับและความจริงมันก็จ ะ, ะโผล่ขึ้นมาเราเห็นนิพพานเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่มันปรากฏตัวไม่ได้หรอกเพราะเราถูกความคิดบดบังไปหมดเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยมันสว่างอยู่แล้วแต่มีเมฆมาบดบังเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไป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 มีความเพียรมีสติมีสัมมชัญญะเท่านั้นเองคือเครื่องมือมีความเพียรมีสติมีสัมมชัญญาเราก็จะรักษาจิตที่เป็นปกติพ้นมาจากความพอใจไม่พอใจในจิตใจเสียได้ก็มีอย่างเดียวคือความเพียรเจริญสติมากๆเดี๋ยวมันก็พัฒนาขึ้นไปเองไม่ต้องไปทําอะไรเมื่อถึงจุดๆหนึดด่งแล้วเนี่ยจิตกท็ทําหน้าที่คือมันเป็นเองไม่ไมาต้องฝึกหน่อยรู้สึกตัว บ, บ่อยๆเดี๋ยวมันก็เคยจริง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 และต่อไปมันก็จะไม่ขาดสติเห็นประโยชน์ของการมีสติเห็นทุกโทุนการขาดสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆการฟังธรรมะก็ทำให้สติเกิดได้เหมือนกันการคบกับกาลยานามิตรคือคนที่มีจิตใจสงบเป็นปะกะติคนที่ปฏิบัติธรรมอย่าไปคบกับนายฟุง้งก็ทวนฟุ้งไ้ทั้งวันสติก็ไม่เกิดนะครับคบกลยาณมิตรเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เจอพระปั๊บ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 เพราะ้นเราสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆอย่าทุกขฟรีๆอย่าคิดฟรีๆคอยรู้บ้บางๆไอบ้บ่อยๆนี่แหละมันจะเกิดความเป็นเองจึงต้องมีความเพียรขนาะทํางานเนี่ยเวลาเาคิดมากๆเราแอบดูมาอ๋อนี่เราคิดมากแค่เนี้ยก็ได้คะแนนสติแล้วแอบดูจิตเห็นไม้มแอบดูจิตเนี่โหได้ข้อมูลมากนะแอบดูอะไรก็ตามดิ่มได้ข้อมูลชัดเจน